้อความในอัตกถามหาประธานสูตรทีคณิกายพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลาย น, นะก็ยกอนุปุพิกถาขึ้นมาแสดงคาว่าอนุปุพิกถาก็คือเป็นพระธรร ม, มเทศนาที่แสดงไปตามลำดับเบื้องต้นแสดงเรื่องทานต่อมาก็แสดงเรื่องเีลถัดจากนั้นก็แสดงเรื่องสวรรค์ ต่อจากนั้นก็เป็นแสดงวิปัสนาอารยมรรคเรียกว่าทานศีล ส, สวรรค์วิปัสนาอารยมรรคนั่นเองการแสดงไปโดยลําดับอย่างนี้เรียกว่าอนุปพิการะาธรรมเทศนาที่กล่าวไปตามลําดับเหมือนอย่างว่าทะเลลาดลุ่มลึกไปตามลําดับชั้นใดพระธรรมเทศนาก็มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดฉันนั้นทีนี้รายละเอียดของคาว่าทานกถา แปลว่าคาถาที่ปฏิสังยุตต์กล่าวถึงผลกล่าวถึงอนิสงฆ์กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการให้ทานการที่แสดงจําแนกแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยนะว่าการให้ทานนั้นมีผลอย่างไรมีอนิสงฆ์อย่างไรมีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นต้นการเอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าทา น, นกถาการพูดเรื่องทานเนี่ยนะนะซึ่งคําว่าทานในที่นี้ตัวทานนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเจตนา ทานนี่คือตัวเจตนาเจตนาที่คิดจะให้ถ้าเจตนาที่คิดจะให้อย่างเดียวนี้ชื่อว่าสําเร็จผลไหมก็ไม่สําเร็จจะต้องมีของที่ให้ด้วยของที่ให้ก็เรียกว่าทานเหมือนกันเรียกว่าวัตถุทานและก็สุดท้ายคือผู้รับทานก็แบ่งออกเป็นนะนะเป็นสามอย่างก็คือเจตนาที่ให้ของที่ให้แล้วก็ผู้รับทานแบ่งเป็นสามคำ ทบทวนอีกอย่างหนึ่งนะก็รายละเอียดแกก็เรื่องทานทานประกอบไปด้วยหนึ่งเจตนาของผู้ให้เจตนาของผู้ให้ อ, ใหอย่างที่สองของที่ให้ของวัตถุทั้งหลายก็คือวัตถุทานนั่นเองของที่ให้แล้วก็สามผู้รับ นนะผู้รับทานผู้รับวัตถุทาน <c oughs> ก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะในสามอย่างเนี่ยตัวบุญนะตัวของที่จะให้อ น, นี้หมายว่ากุศลเจตนาตัวนี้เป็นกุศลตัววัตถุโดยมากเป็นอัพยากตะตัวมันเองไม่ใช่กุศลแลอะอกุศลทั้งนั้น ของที่จะให้นะสามผู้รับอันนี้หมายถึงบุคคลก็คือผู้ที่รับรับทานทั้งหลายบุคคลนี่แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้รับนี่แบ่งออกเป็นเรียกว่าปาเตปกุกลิกะทานกับสังฆทานส่วนตัวกุศลเนี่ยนะที่ที่พระองค์สรรเสริญเรื่องการให้ทานเนี่ยสรเสริญตัวเจตนาแต่ ทานที่จะมีผลมากมีอ น, นิสง์มากมีองค์มีองค์องของเขาหนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ให้นั้นะ่ะมีศรัทธามากสองทยยรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจเรียกว่าเป็นทยธรรมที่ตัวเองปลื้มใจเนี่ยนะของที่ตัวเองเรียกว่าปลื้มเหมือนนเถอะเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มปีติอย่างที่สามผู้รับนั้นน่ะ เป็นคนที่เราเลื่อมใสเนี่ยนะโดยปกติก็เลื่อมใสผู้รับเช่นนั้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเมื่อมีสถานในพระองค์ก็หาดอกไม้เป็นต้นมาบูชาพระองค์ส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับกุศลเจตนานะกุศลธรรมเกี่ยวกับการให้เนี่ยนะมีดังต่อไปนี้ว่าปกผ้าเจตนาเจตนาก่อนจะให้ อันรกว่าก่อนให้มุลชนะเจตนาเจตนาที่ขณะให้ขณะที่ให้ทานไปแล้วก็สามอปรเจตนาก็คือเสร็จแล้วเรียกว่าเมื่อให้เสร็จแล้วคือหลังจากนั้น หลังจากนั้นไปหรือว่าเมื่อผ่านไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ผ่านไปนานๆได้นนว่าอัปาปราระปะเจตนานะมาเช่นผ่านไปเป็นสิบยี่สิบปีแล้วยังเก็บมาคิดเก็บมาเจริญจารคานุสติก็จะเป็นกล่มอปาปราระปะเจตนาทานใดก็ตามที่มีองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเน้นว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธานี่บวกกับความพ่องใสหรือว่า ปีตเนี่ยนปีหมายว่าบุญใดก็ตามที่เราทำเนี่ยก่อนให้ศรัทธาก็มีกำลังมีความผ่องใสแล้วก็ความเกิดความปราบปลื้มใจสองขณะที่ทำก็มีศรัทธาผ่องใสปีติปราบปลื้มใจทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จนะก็ปลื้มใจอีกนานนเก็บมาคิดก็ยังปลื้มใจทานอย่างนี้จะเป็นทานที่มีวัดเอ่อมีผลมากมีอนิสงส์มากเนี่ยนะ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 กำไรเนี่ยนะกำไรการให้ทานเนี่ยถ้าพูดแบบธุรกิจก็เรียกว่าเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งแล้วผลกําไรของการลงทุนนั้นคืออะไรแล้วพูดแบบชาวนาก็าเรียกว่าพเวเพาะพันุเมล็ดพืชลงไปว่ามันให้ผลออกมาเป็นอย่างไรก็คือการเพาะเมล็ดพืชนั่นเองเนี่ยนะแต่ภาษาทั่วๆไปนิยมใช้คําว่าอันนี้สองซึ่งแปลว่ากําไรพูดภาษาค้าขายซะส่วนใหญ่ นี่เกี่ยวกับวัตถุทานเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นหนึ่งกลุ่มปัจจสี่เนี่ยนะปัจจสี่ประกอบไปด้วยผ้าอาหาราที่อยู่ที่อยู่แล้วก็ย า, านะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าอาหารที่อยู่ยาเรียกว่าปั จ, จัจสี่มันสามารถเจตนาที่จะให้ให้ปั จ, จัจสี่ก็ได้ในผู้ตามพระวินยัย ถ้าพูดตามพระสูตรก็เช่นให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าเครียกว่าลงละเอียดเลยลงละเอียดแจกยิบดอกไม้ของหอมประทิปโคมไฟไล่ไปเรื่อยอย่างไรเรียกว่าให้ตามพระสูตรให้รองเท้าให้ข้าวให้้องให้เครื่องใช้เรียกว่าเก็บมาเรียกหมดเลยอ่ะให้ตามอภิธรรมปารบให้รูปเป็นทานปารบสีปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารโพภะปารบ ธรรมารมเป็นฐานนั้นแล้วแต่จะเลือกให้จริงๆวัตถุเดียวเนี่ยจะปารลอะไรก็ได้ให้ผ้าหนึ่งผืนจะเรียกว่าปารลปัจจัยสี่เพราะคนต้องใช้เครื่องนุ่งห่มเครื่องค้ำจุนชีวิตอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ให้ผ้าผ้าแพรผ้าไมผ้าเมืองจีนผ้าอะไรก็ว่าไปก็ไล่ผ้าผ้าพลาสติกผ้ากำพลผ้าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าแบบพระสูตรส่วนเรียกแบบอภิธรรมบอกสีสวยดี ปลารคปลาทำโพธาภาบอกในหม่มห่มแล้วอุ่นดีหรือห่มแล้วไม่ร้อนดีเป็นต้นอันนี้คืปรารคแบบอภิธรรมแต่ว่าสรุปว่าอันนี้หมายความว่านักจำแนกทั้งหลายเขาจะแจกอย่างนี้แต่ถ้าไม่จำแนกก็ทำบุญอะ่ะถาวายผ้าไตรก็แล้วกันง่ายดีนะเป็นต้นะนะยกเ็ตัวอย่างเป็นต้นอาจจะให้ผ้าคําว่าผู้รับผู้รับแบ่งเป็นสงกับบุคคลอ่ะ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 คิดว่าสวดอะไรนะเจริญสังขานุสติแล้วให้ทานสุปฏิปันโนแล้วก็ให้ไปในวิถีง่ายๆส่วนปาติดปกลิกทานก็เจาะจงเช่นอะไรบ้างไล่ตังกาเดระชานะจะต้องไปเลี้ยงปลาเนี่ยนะเจาะจงพวกปลาหรือว่าอะไรเจาะจงสุนัขให้ทัว่วค่ายๆให้อะไรก็แล้วกันไปก็แล้วแต่ว่าปารบจะเลี้ยงอะไรนะอยากจะเลี้ยงมดอย่างเงี้ย อ้าวมี่เหรอคนให้ทานมดเป็นทานแม่ต้องแบ่งเหลือกอาหารไปให้หมดหน่อยคนบอกเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงปลาหน่อยเลี้ยงยิ่งจกหน่อยอะไรเนี่ยนะนะก็มีอยู่หลายกลุ่มบางคนก็ให้ทานกับมนุษย์ทุสีนมาเพร อ, อเห็นโจรเออเลี้ยงข้าวโจรสักมื้อหนึ่งกันต้นเนี่ยนะ อ, าอ้าวอยคิดนะบางทีโจรผ่านมาก็เลี้ยงอาหารซะหน่อยเขามีนะโบราสมัยก่อนก็มีมีค่อนข้างบ่อยด้วย บางทีโจรผ่านมาทางนี้ก็ เ, เลี้ยงมันหน่อยไม่เลี้ยงเดี๋ยวจะวันหลังมันจะมาปล้นนะแล้วก็ต่อไปอีกก็ให้ทานก็คือมนุษย์มีศีลแล้วก็ให้ทานกับใครอีกอนะให้ทานแล้วก็ปารพบอะไรปารพบผู้มีฌานแต่ว่าเป็นคนนอกาศาสนาแล้วก็ปารพอะไร ผู้ที่ถึงสารณคมถึงสารณคมโดยความเข้าใจตั้งแต่สารณคมจนถึงว่าอาจจะเป็นสารณคมแบบเป็นอุบาสกหรือเป็นต้นเนี่ยทานกลุ่มเนี่ยอ น, นิสงหาประมาณไม่ได้ น, นะตั้งแต่ให้ผู้มีถึงสารณคมเป็นต้นด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอามาจับมาปานาติปะเออพุทธังสารานังกชามิแล้วอย่างไงจะได้ผลมากหมายว่าเขามีสัทธาในรพระธรรมตรัยมาก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 เราให้ท่านซะหน่อยแล้วท่านจะช่วยเราเป็นต้นลักษณะที่เรียกว่าที่เรียกอะไรนะไม่ใช่ติดสินบนไม่ใช่ลักษณะติดสินบนไอการให้ที่เป็นบุญ น, นั้นไม่ใช่ติดสินบนไม่ใช่ให้แบบค้าขายมีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เข้าก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรเป็นเชิงธุรกิจไม่ใช่แบบนั้นการให้ทานที่เป็นบุญ น, นั้นไม่ให้ธุรกิจนําหน้าหรือตามหลังหนึ่งอย่างที่สองไม่ได้หวังว่าคนที่รับไปนั้นน่ะ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 และเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญทั้งหลายเนี่ยนะแต่ความเชื่อลักษณะนี้แหละแต่เป็นการเชื่อที่ให้แล้วมีผลมากให้แล้วมีอนิสงฆ์างมากเนี่ยนะนี่ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาที่ให้นั้นอะ่ะมีผลอย่างไรแล้วก็มีอนิสงฆ์อย่างไรเนี่ยนะในหน้าหนึ่งห้าอเนี่ยนะอนิสงฆ์ของการให้ทานบอกว่า ทานนี้ทานคือกุศลเจตนาที่ให้นี้เป็นเหตุแห่งความสุขนะคือสาเหตุแห่งความสุขและการให้ทานนี้เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงคำว่าเป็นเหตุแห่งสมบัติหมายความว่าการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งมนุษย์สมบัตินะสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายคือมนุษย์ที่มีสมบัติมากนะเรียกว่ามนุษย์สมบัติ